ละาธาตุขันทิ้งเพราะเป็นธาราาเวปัจจคันธามาเป็นเวลา80ถ้าพรรษาแล้วหนักแบกมาถึง80ปีหนักตลอดเวลาไม่เคยเบาเลยก็คือาธาตุคือขันอย่างอื่นเบาข้าวเรามาหลังหนักเลยก็กินไปกินไปหมดไปหมดไ ป, ดไปแล้วเบา น้ำต่างมาก็ธรรมชาติมาสอยหมดไปเบาถ้าขันแบกมาตั้งแต่วันเกิดไม่เคยเบาหนักมาเรื่อยๆยิ่งเฒ่ายิ่งแกกำลังปังชาที่จะแบกจะหาไม่พอแล้วยิ่งรู้สึกว่ายิ่งหนักขึ้นไปโดยลำดับอันนีงว่าภาระหะเวปันจักขันทัดขันตั้งห้ า, างเป็นภาระอันหนักันแบบกผู้่นแบกกายหนักแล้วยังไม่แล้ว ทั้งแบบทุกเวทนาที่มีอยู่ในกายแบกบสัญญาแบกบสังขารแบบวิญญาณดานแล้ตั้งแต่เป็นของนนหนักหนักยังทิ่มแทงหัวใจแล้วอีกด้วยไม่เพียงหนักเฉยๆมันยังมีหนามอันแหลมคมเสียบแทงเข้าม า, าภายนจิตใจนะพระพุทธเจ้าตั้งกตทรงแบบธาตุแบบขันนี้อยู่ถึงแปดสิบพระปัญญาแล้ววันนี้ คุณละง่ายตัวโอ้ยเหลือทนแล้ววะลาททีเธอวะตรงๆ ร, ระทนตรงอายุสังขารจากนี้ไปสามเดือนไดไดสลัดปัดทิ้งภูเขากูเรานี้ทุีว่ะเพลินมันดา พระสาวกอรหันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ต่างองค์ก็ต่างมาด้วยอัปยาสายใจน้ำใจของตนเองซึ่งไม่ต้องถูกเชื้อเชิญนิ ม, มนต์มาแม่แต่องค์เดียวมาโอนกันในเวลานั้นวันนั้นโดยพล้ามเสี่ยงึงได้ประทานพระอาวาทเป็นวิสุท ธ, ธิอุโบสถขึ้น ให้บรรดาสาวกอรหันทั้งหลายเป็นเครื่องยื่นให้ลื่นลืนในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประทานเห่นั้นในบทความาย่อๆสัปปาป ะ, ะาาาปะตะปะนังกุศะสู้จะซ้มปดาสกิดกะประโยชน์ตะปะนังเอตังพุทธานาสาสนังอนุปวาโดนุปคาตัปฏิโมเพจะสั้างวารูมาตานิจตาจะผัดจัดพื้นปันจัตเตียงนาสานัง อธิจิตเตจะอายโยโอเอโตงังพุทธานัสสาสนะนี่เป็นพระโอวาทที่ประทานให้เป็นเครื่องรุ่นเรืองแก่บรรดาพระสงฆ์สาวกอรหันหนึ่งพันสองร้ห้าสิบองค์นั้นในเวลาบา่ายคล้ายคลาดกับวันนี้เพระาะว่านั้นทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องรุ่นเรืองสำหรับเท่าสาวกอรหันเหล่านั้นไม่ใช่ แสดงเพื่อให้ท่านเหล่า น, นั้นเป็นผู้ทรพพกักฟอกเป็นผู้นําบประพฤติป ฏ, ปฏิบตัติเพื่อกําจัดวิเลิดอัสระออกจากจิตใจเพราะท่านเหล่า น, นี้เป็นผู้บริสุทธิ์ล้วนแล้วทั้งนั้นจึะเรียก ว, วิสุทธิอุโบสถประทานพระวา่าทในท่ามกลางแห่งพุกตุผู้บริสุทธิ์พันสองร้อยห้าสิบองค์ก็มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏอีกเลยใน ศา ส, สนาของพระเจ้าตอนที่ยังสรงพระชนอยู่และตลอดไปคงไม่มีซ้ำอีกแล้วที่เราระลึกถึงท่านนั่นก็เห็นมาเป็นความสำคัญเทยำนำเอาทอาอวาด่า น, นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความจัดที่เหลืออาสวะที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราสัพพะปัสสะ อาการนังคำว่าบาทก็คือความสมองความทุกข์นั่นเองบาปทางใจนั่นสำคัญมันสร้างได้ทุกเวลาบาปทางกายทางวาจายังมีการมีเวลาบ้างแต่บาปทางใจสร้างความสมองขึ้นมาแก่จิตใจ น, นี่มันเกิดขึ้นด้วยความทิฐความตุม่มของตัวเองซึ่งสิ่งที่ผักดัน ออกมาให้คิดให้ตรุงเพื่อความเศร้าหมองก็คือเป็นคือสิ่งที่เศ้าหมองอยู่แล้วสิ่งที่โสมกบกอยู่แล้วภายในจิตใจทันเดียวว่ากิเลสกิเลสเป็เครื่องตุงแต่งสัญญาสังขานออกมาถ้าเป็นกิเลสกี่ประเภทหนะนึ่งแล้วมันกรทกําจิตใจเศ้าหมองนี่คือการทําบาปในความเศ้าหมอง ปัญหาทั้งหมดพิจารณาชกหาลักหาก่นหาโสมใครก็ตามอันนั้นเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดข้างนอกข้างในสร้างบาปอยู่ข้างในสร้างความสมองอยู่ภายในจิตทั้งตนเองใจของตัวเองก็เป็นความสมองนั่งอยู่ก็สมองก็นั่งอยู่ก็สร้างความสมองให้เงเดียรใจยืนเดินนั่งนอนคิดได้ทั้งนั้นคิดทั่วความสมองใจจึงสมองได้ทุกอุญญาบทท่านสอนให้ การไม่ทําความเศรหมองนี้ประการหนึ่งจะทําด้วยเหตุใดต้องจะไม่เศหมองกูจะสู้กับซ้ำปะดาให้ยังความฉลาดให้ถึงพร้อมเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะซักพ่อความเศร้หมองบาปในบทต้นนั้นออกจากจิตใจได้แล้วกาเป็นสกิตรประโยชน์ปัญังขึ้นมาคือใจจะเป็นความผ่องใสเมื่อความฉลาดมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องซักพ่อ บาปความเศรมองสกปรกทั้งหลายออกจากใจใจก็เป็นความป่องใสขึ้นมาที่เรียกว่าสกิตตะประยุนปันญังเนี่ยเป็นความป่องใสขึ้นมาเมื่อชำระอยู่ไม่ถอยด้วยความฉลาดบาปน้อยบาปใหญ่บาปมากบาปน้อยก็ค่อยหมดไปหมดไปหมดไ ป, ดไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานี่ถ้าอโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นสอนให้พวกเราทำอย่างนี้ด้วยกันเองไม่มีทางอื่นที่จะเลือก หากว่ามีทางที่พอทีะเลือกให้ผ่อนหนักผรเบาได้ไม่มีใครที่จ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคงจะสารเตะให้พวกเราที่ได้ซ้ำไปสารเตะให้นอนอยู่สบายสบายนะเราทำทางลัดทางตรงให้แล้วหาหมอนมานอนเลยเนะให้สบายเลยไม่ต้องไปทำอะไรทั้งหมดนี่ย ถ้าอาว่าอย่างนี้ก็จะมีขึ้นมาหมายพานอนอยู่เปพสสบายถาเถอเเเราก็ททำให้ยบร้อยแล้วท่านก็จะสอนอย่างนั้นแต่นี้มันไม่มีไม่มีทางที่จะทำได้อย่างนั้นถ้าองค์เองแต่ละพระ อ, องค์ทีบจงบำเพ็ญจนกระทั่งถึงความเป็นพระพุทธเจ้าทำระกิเลสออกหมดจากพระทัยไม่มีอันใดเหลือเลยก็ไม่ได้ํำละด้วยวิธีเปรววิธีหมอน พอจะสร้างเต้สร้างหมอนในพุทธบริษัทได้รับความสะดวกสบายไปที่ไหนหาผามเต้หมอ น, นั้นไปเพื่อแกที่เลสจะได้สะดวกสบายเลยไม่มีจึงต้องสอนลงในจุดที่ถูกต้องเหมาะสมนี้พระพุทธเจา้าทุกพระองค์งทรงเลือกเฟ้นเต็มสติกํลาลังความสามารถแล้วที่จะได้ธรรมะมาให้เหมาะสมแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายคำว่าเหมาะสมนั้นไม่ใช่ว่าเหมาะสมกับ ความชอบใจของบรรดาสัตว์ความเหมาะสมในการแก้กิเลส ข, ของสัตว์โลกนั่นเองมีเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นปุ่นง่ายๆว่าอย่างนี้มีชาปปะวัฏะอาการางังกูจะสู้กระซิมปดาชักิจต ะ, ะประโยชน์ปันังนี่เท่านี้นอกจากนี้ไม่มีเครื่องมือใดวิธีการใดที่กิเลสจะกลัวกิเลสจะหลุดลอยออกไปได้ มีวิธีนี้เท่านั้นนะ่ะประิายาไปอีกก็ก็อีกเช่นเดียวกันอนุปวาโดจะไ ป, ะปะกล่าวร้ายผู้หนึ่งผู้ใดไม่ดีนอนุปคาโตอย่าฆ่าอย่าทำลายหรือทำ ร, ร้ายตัดดุมเน่ยไม่ดีภาติมโมเคจะสังวโรให้สร้างรวมอยู่ในข้ออัดข้อทำ ที่จะเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสนี่มัตตนนุตาจะพ่าตัดสมิงรู้จักประมาณในการดูการกินดูปววยจะให้ฟุ้งเฟลอยจนเกินเหตุเกิ น, น, กนผลถ้่หํำหนักปฏิบัติสอนอย่างนั้นรูน้จักประมาณนี่ปันตัญจะเสนาสนังจะแสวงหาที่นั่งที่นอนอันสงัด เพื่อกำจัดกิเลสเพื่อความบริเวณนั้นๆเนี่ยอธิจิตเจะอายโยโบรุงประกอบติดให้ยิ่งขึ้นไปโดยลําดับนี่ขยายความออกมาณน่ยก็มีเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเนตตางพุท ธ, ธาศาสนาเหมือนกันนี่เป็นคำสอนพุทธเจ้าทุกๆองค์เช่นเดียวกันเนี่ยท่านเลือกเฟน้นเต็มกําลังความสามารถแล้วไม่มีถ้าจะเราก็พูดอย่างแปลภาษาเราให้สบายสบาย ท่านพยายามหาหมอนให้พวกเราสบายสบายหาเสือ่อหาหมอนหาที่นอนหมอนมุง้งไล่ยุงของหมดอย่าให้มีอะไรมารบกวนเลยอยู่สบายสบายพวกนี้กิเลสจะได้หมดไปด้วยวิธีนี้มันไม่มีถ้าพระพุทธเจา้าเไม่ทรงทำเพราะทำแล้วไม่เกิดประโยชน์เวลาประกาศทำให้เป็นเครื่องดืงดงดง่นเดินแก่บรรดาสาวกท่านก็ต้องประกาศอย่างนี้เวลาสอนสาวก เหล่านั้นที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านก็ท่านก็พยายามสอนวิธีที่สัมปวะวิสัากดานังนี้ทั้งนั้นเนี mm ่ hmm. ึงเป็นความจําเป็นที่พวกเราทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามนั้นซึ่งมีทางเดียวที่จะ ท, ำทํำพิเดชให้หมดสิ้นไปจากใจโดยลําดับบในพระอาวาที่กล่าวมานี้เท่านั้นน่ะยากก็ต้องไปแถบทางนี้ ลํามากหุกขะสะดวกสมายก็ต้องไปสายทางนี้เท่านั้นที่จะเป็นความเดินลัดตัดตรงไปเพื่อความพ้นจากทุกโดยการทั้งปวงไม่มีทางอื่นเป็นที่เลือกนะ่ระ้อวานนี้ถึงใจพวกเราไหมพี่นายถึงพระไทยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทอดออกมาจากพระไทยมาสอนพวกเรา พวกเราถึงใจไหมพ <Okay. S 1> ระองค์ให้ด้วยพระเมตตาเต็มพระทยัยพวกเรารับสึกความตรงรับทักดีเต็มกิดเต็มใจมากน้อยประ ก, การใดบ้างถ้าว่าการรับทำดึกจะทิ้งสีทิ้งเสียมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่สมเจตนาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระว่าให้โอ้ทุกขัง เดินมาแล้วถึงวันเดือนหกเพนก็เป็นวันตรงตรงสังขารที่ประกาศไว้ตั้งแต่วันเดือนสามเพนเช่นคากับวันนี้จากนั้นมาก็เรื่องคานเรื่องขัน บีมบังคับหรือก่อควา น, นี่ก็หมดซึ่งไปจากพระพุทธเจ้าเป็นอนุภาีิเศ ส, สานิพานล้วนๆหมดความกังวลหมดความนับกิจชอบในสมมติทั้งปวงไม่มีงไงหรืออยู่เลยทั้งนี้เรียกว่าเหนือนโลกโลกก็คือสมมตินั่นเองสมมติน้ยใหญ่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นสามโลก วิโลกของความสมมุติของความเสียสันของความแปรลปรวนโลกแห่งอนิจจังทุกขของหนัตตาซึ่งวิโลกก่อความวุ่นวายให้ตลอดสายไม่ว่าจะเป็นพบทใดชาติใดเป็นโลกที่หมุนไปด้วยอนิจจังทุกขของหนัตตาเป็นเจ้าํำนาจเป็นทางเดินใครจะ ห, ห้ามไม่ได้พอค้นจากนี้แล้วก็หมดปัญหาไป นิจขาโตไปนิบุโตนะคือดับสนิทไม่มีสมมติใดๆเหลืออยู่เลยทมนี้เป็นเครื่องกลางวานอยู่ในความจริงที่พระองค์สอนไว้ทุกแห่งทุกคนถ้าเราได้น้อมประพฤติปฏิบัติด้วยความซึ้งใจในธรรมบทนี้แล้วก็จะมาทาเหล่านั้นก็จะมากัางวานอยู่ภายในจิตใจของเรา เริ่มต้นก็จะกลางวาลอยู่ในความสงบร่บเย็นภายใจิตใจด้วยสมาธิเป็นขั้นขั้นแล้วก็จะกลางวาลอยู่ด้วยปัญญาความคิดคน้นหาเหตุหาผลเพื่อเคื่องตนหลุดพ้นออกได้เป็นระยะระยะสุดท้ายกับกลางวาลถึงความบริสุทธิ์ผุดพ้นโดยประการทั้งปวงนัวนมิจฉาโตเป็นมิบุตโตดับความหิวโหยอะไรทั้งหมด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 มีเต็มในหัวใจของสัสตว์โลกไม่เคยบกพร่องเลยตลอดการมาไหลไม่ว่าหน้าแรงหน้าผลข้างขึ้นข้างแรงไม่เหมือนน้ำมหาสมุทรซึ่งมีการขึ้นการลงแล้วจะเอามาสู้นะ้ำมันนี้ได้อย่างไรแล้วนี่จะเหัือแห้งด้วยวิธีใดเหงือแห้งด้วยการวิตรโดยทางความภาคเพียรของผู้ปฏิบัติไม่ค่อยหมดไปหมดไปถอนทุกวันพิจณาทุกวันเข้าใจทุกวัน ปดเพื่องมาได้ทุกวันอน้ำมันนี่ก็ไม่ใหญ่โตอะไรมากนักเท่าขันแล้วนี่แหละรูปประคันเนื้อธนาขันธนาขันทั้งขานขันเี่ยมันก็มีเท่านี้แหละแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ส้หรับจิตที่ยึดที่ยึดที่ถือแผ่นดินทั้งแผนมันก็ไม่ไปยึดมันมายึดเอาตรงนี้เรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องหนักอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องร้อน เป็นปูนเป็นไฟเผาจิตใจก็คือธรรมาชาติอันนี้ไฟที่ไหนมันก็ไม่ไหม้มันไม่เหมือนไฟที่เหลดทันหาว่าซึ่งมีอยู่ภายในใจิตใจเผาที่ตรงนี้ถึงต้องไนวิทย์ออกน้ำท่วมดีลลดีก็ินแต่น้ำท่วมปอดห ม, ม, มอหีดหรือสูบออกช่วย น่านกิเลสปัญหาสภาวะมันท่วมจะเอาอะไรมาสูบมาดูดออกล่ะถ้าไม่เอาศรัทธาความเพียรปิติปัญญาที่ทามันไม่มีทางตอนนี้ดูดออกคนที่กิจจิจนาให้มันเห็นชาติตามเป็นจริงมันไปถืออยู่กับอะไรแต่สำคัญอะไรธรรมดากิเลสมันต้องอวดดีกว่าพระพุทธเจ้ามันเป็นคู่แข่งกับพระเวทเจ้า ต้องอวดดีกว่าธรรมอวดดีต่อธรรมป็นเป็นคู่แข่งของธรร ม, มความยึดความถืออันนี้เป็ น, นเรื่องของกิเลสการที่จะแณาที่ถอดที่ถอนกิเลสนี้คือธรรมถอนโดยปัญญาปัญญาก็คือธรรมปลดพ้นไปแล้วความถูกก็คือนิพพานะธรร ม, มที่สุดที่ธรรมนี่เป็นคู่แข่งกันนี้ต่อเวลาเราพยายามอย่าให้แพ้ในหนึ่ง เวลาอังนี้เราขึ้นเวทีแล้วอ่านเป็นแชมเปี้ยนด้ยสู้ไม่ถอยตายเท่านั้นตั้งใจเขาหาลงเวทีถ้ายังไม่ตายล้มลงก็พออะไรสู้สู้ไปอืสู้ไม่ได้ก็แทงมันบนเวทีไปเลยมันนักสู้ว่ะสู้เพราะมันก็ด่าพ่อด่าแม่เข้าไปด้วยกว่าท่านมีอาวุธอันนี้นะ่ะเพราะว่างั้นสิต่อยไม่ได้ ฉันสู้ไปฉันต่อได้ฉันล้มลงก็ปากฉันล้งล้มลงก็พูดได้ด่าได้แช่งได้มีว ะ, วะสู้มันต้องขนาด น, นั่นเลยนี่เรียกว่านักรบนาอืมนี่แล้วเทียบนักรบมันจะหมายถึงว่าไปด่าไปแช่งเขาคนอื่นไม่ได้นะอืมหมายถึงว่าเราสู้ยีิเล่อามขนาด น, นั้นนะเอาเห็นไหมาาเราครูบาอาจารย์เราเห็นประจักอย่างนี้ที่เราได้กราบว่าบูชาท่านมีแต่ท่านนักสู้แบบนี้ทั้งนั้นนะงั้นท่านก็ได้ชัยชนะมา ด้วยวิถีแค่เอาท่านอาวิธีไหนมาสอนพวกเรานี่สอนแบบบวชเปรย์อย่างว่านเลยท่านอย่างนั้นพระย่าเอามาสอนแล้วนี่ครูวาจันน์นี่จะไปอวดดีอวดดีอ้อนั้นมาสอนดูสิบได้เหลยนะก็ต้องอความต่อสู้ความทรห็ดอดทนที่นาคลิกแทงเปลื่ยนแปลงเรื่องปัญญาของเราให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในมันเป็นความเฉลียวฉลาดอันแหลมผม สามารถที่จะถอดถอนตนได้จากหลมลึกที่มันปักจมอยู่ภายในธาตุในขันนี้เป็นเวลาหลายกับนับไม่ถ้วนคุดท้ายก็ปักอยู่ที่จิตถอดถอนมันไปหมดถ hmm. อดถ อ, อนเราออกจากรูปจากกายจากธาตุดินจากท่าน้ํา่านลมท่านไฟนี้ถอนจิตทั้งเราออกจากทุกเวทนาที่เข้าใจว่าเป็นตนนี้ รูปถอนออกจากพระรูปนี้คิดถือว่าเป็นตนนี้ถอน อ, อาเไปเวทนาที่ถือว่าเป็นตนนี้เป็นเรานี้ถอนออกจากสัญญาสั้งขาทั้งยาณที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี้ออกพยายามถอดถอนตรงนี้ด้วยปัญญาทำ <c oughs> ให้ทันยิดเป็นของละเอียดเอาเป็นของวิเศษวิโสธาตุขันธ์นี่วิเศษวิโสอะไรถึงจะแบบไปหามของไปยึดไปถือเอาถ้าไม่ใช่เราโง่ถ้าเป็น ทุกไปยอมแบกสิ่งที่ ย, บยาบๆหนันงนะถ้าหลานแล้วก็ไม่แบกบรู้เท่าทันต่อนตามสภาพของมันเนี่ยเป็นแบกมันธรรมะโค้นลงตายสตยิปัญดามนีงั้นไม่ต้องกลัวลเรื่องตายน่ะกลัวไปหาอะไรความกลัวมันเป็นกิเลสสร้างกิเลสขึ้นมาด้วยความกลัวทำไม สร้างความกล้าหาญขึ้นมาต่อสู้ให้เห็นความจริงของมันว่าอะไรมันตายแน่ๆแล้วมีอะไรตายนี่พิเรยมันโกโหกเราอยู่ตลอดเวลาเถอแทบเดียวมันเข้าย่องเข้ามานะ้วอะเราจะตายวันไหนจะตายวันนั้นตายวันนี้อตายที่นั่นตายที่นี่นนเดี๋ยวเลยคิดยุ่งตัวเองเขาอีกแหละดูๆคิดยุ่งถ้ามันดุยเฉยไม่ว่าอะไรเราเป็นคนยุ่งเองก็คือใจเป็นคนยุ่งเองอ ใจว่ารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบอะไรมาต่อควรตัวเองไม่ใช่รับผิดชอบทําอย่างนั้นแต่รับผิดชอบตัวเองต้องเป็นไปด้วยปัญญาที่จะนาถอดถอนที่นาปลื้มรื่องความกังวลวุ่นวายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นการตายาการเจ็บไข้อะไรๆเปลืองมันถ้ามันเห็นความจริงไปแล้วทั้งหมดมันก็สบายเท่านั้นแหละความสบายอยู่ที่ตรงนี้ความรับผิดชอบที่ถูกต้องอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยใชนะก็อยู่ที่ตรงนี้ ยินแต่ข่าวท่านเป็นพระราษฎร์หารเช่นพระทหารหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์เนี่ยยินแต่ขาวท่านคุณท่านสําเร็จโสดาคุณท่านสำเร็จส ก, กิทาคุณท่านสำเร็จอน า, นาคาคุณนี้สําเร็จอะไาพระรหัสขาวของเราเนินแต่ความอ่อนความแอร์ความทอแท้ท้อถอยอื ทวามอับเฉาเบ า, บาความคิดความโศกความเศร้าความวุ่นวายมันเปข่าวของเราข่าวของเราเป็นไปอย่างนั้นนี้มันก็ข่าวของเราอป่างั้นมันก็ทุกมัก็เป็นข่าวของเราชความจมกากกับข่าวของเราอีกแะเนี่ยที่ในตัดถนามันก็มาเป็นข่าวของเราเพราะเราสร้างข่าวขึ้นมาเรื่องผลมันก็ต้องเป็นเรื่องของเราอยู่โดยดุทำมาหนี่ไว้เพื่อใครว่างั้นก็นได้ช่ ที่สอนว่านี้สอนเพื่อใครพุทธบริษัทคือใครบ้างถ้าไม่ใช่เราคนหนึ่งในพุทธบริษัทนั้นทำมาในสอนเพื่อใครถ้ไม่สอนเพื่อเราสอนเพื่อเราเพื่อให้แก้อะไรเลยแล้วสิ่งที่เราจะแก้มีอยู่กับเราหรือไม่แน่มันก็ไม่อยู่ที่นี่ก็เหมือนพระพุทธเจ้ามาทรงชี้เแจงอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเวลานี้ทุกสดรอนร้อนใครที่ไหนธรรมะพระเจ้าอยู่กับตัวของเรา แล้จะไปฆ่าตันหมายวิชาวิพัน์ที่ทุนที่นี่ถ้าทําัสอนทั้งโน้มทั้งนี้ความจริงไม่มีการมีสมยัยออมีอยู่กับบุคคลทุกคนผู้สอนแสวงหาความจริงอฉีนสมาธิปัญญาไม่ได้ละสมยัยไม่มีการไม่มีสถานที่มีอยู่กับบุคคลผิดขึ้นมาอะไรก็ได้เช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทุกการทุกเวลาในใจของจัดโลกแมว่าข้างกจตการนุ้นหรือข้างนี้เป็นคนมีกิเลสด้วยกัน การแก้ที่เด็กก็ต้องแก้โดยศีล่มาที่ปัญญาศรัทธาความเปลี่นยนของเราด้วยกันมันจะห่างเหินกันที่ไหนไม่ได้ห่างหนิแก้ให้ถูกติดเถอะพ้นได้ด้วยกันทั้งนั้นเห็นสาว่างสาวัยที่สิเบิอปอกตรงไหนมันติดพัวติดกำบังใจมันมีฝุนมีมัวตรงไหนจ่อปัญญาลงไปนั้นจ่อสติลงไปตรงนั้น พิจารณานั้นติดอารมณ์มันสมองที่อย่งไรความสมองเป็นสภาพันหนึ่งที่ให้เราใจเรารู้เนี่ยหมายว่าความมืดความสว่างมันมาสัมผัสทางตาเรามืดอ๋อนี่มืดผู้ที่รู้ว่ามืดมันไม่มันไม่มันไม่มันไม่ได้มืดเนี่ยเนี่ยสว่างมันก็รู้มืดมันก็รู้อืมมืดทางในภายในใจเราก็รู้อับเฉามันก็รู้ผ่องใสมันก็รู้งานพูดรู้รู้อยู่ปัญญา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 อะไรผ่านขึ้นมาให้รู้หมดชื่อนักศึกษานักปฏิบัติต้องศึกษาให้รู้ตอบ ต, ต่อด้วยปัญญาให้เข้าใจกับสิ่งที่ปรากฏกับตนความรู้แท้แท้ไม่ได้มีขึ้นมีลงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่นเป็นอาการอันหนึ่งที่จะให้เราทราบเมื่ออาการเหล่า น, นี้มันหมดไปก็เหลือแต่ความบริสุดเบื้องล้นเท่านั้นและไม่ต้อ ง, งไม่ได้กังวลปัสิัยเหล่านี้อีกต่อไปการที่เราได้ที่เกณนา แล้ได้พบได้เห็นสิ่งอันนี้นเสมอภายในจิตใจก็เพราะสิ่งนี้ยังมีก็ต้องประกาศความมีของตนให้เราทาถ้าต้องการความจริงก็ต้องดูดูความจริงที่ปรากฏขึ้นทั้งความเศร้าออความใสออทั้งความอับเฉาทั้งความตูกความทุกข์ยืนปรากฏขึ้นมาเป็นชื่อว่าเรารอบด้วยปัญญาเพราะสิ่งเหนี้เป็นเป็นอาการหนึ่งที่อาศัยอยู่ในจิตนั้นซึ่งเราจะต้องรู้กันทั้งนั้นเพื่อปัญญาของเรา เรียนตบจบตรงนี้นะไม่จบที่ไหนจบปัญญาตรีปรัญญาโทปัญญาเอกว่าอะไรงั้นหมหาบัณฑินประโยคสามประโยคสี่ประโยคห้าประโยคเก้าวนะ่าอะไรงั้นเนี่ยนั่นนอกนลําดับลำดาเท่าไหร่ก็ไม่สิ้นจุดสิบห้าประโยคสามสิบประโยคก็ว่าเป็นกันไปได้ แต่กิเลีมนไม่สร้างเป็นประโยคไหนที่มันอยู่บนหัวใจคนตลอดเวลาเอมันต่ำต้อยาคนเมื่อไรอันานจมันสูงกว่าคนถ้าคนโง่ถ้าตลาดมันก็เหยียบย่ำทำลายลงไปได้เนี่ยี่เราสร้างคุกที่ตรงนี้เรือนของรู้เรืยนที่ตรงนีน้ยาตรีมันรอบตัวสีตมาที่ปัญญาปัญญาตรี อ, อาตรงนี้เนี่ยโทรก็เลื่อนท่นเป็นไป เอกัมีเอกกิจเอกธรรมนั่นแต่ไม่ใช่เอกมีในตาข้างเดียวอย่างเราเห็นเงคนตาบอดข้างนึงเสียยังเหลืออยู่ตาข้างเดียวก็ว่าเอกยานไปเอกแบบนั้นถ้าเทอแบบนั้นหลับมันเอกอที่สองที่เจ็ดนะอือนั่งบอดข้างนึงแล้วยังเหลืออยู่ตาเดียวแล้วนี่จะชมมันแล้วทำลายตาแล้วเอกเสียเอาที่นี้จะชมไปแค่ไหนไปไม่รอออเอกแบบหนึ่งเดียนี่เอกของบื้องจริงเอกกิจเอกธรรม เรียนถึงขั้นปริญญาเอกนี้เหรอปริญญาปัญญาก็รู้รอบนี่งันนมันี่เป็นเอกถ้าไม่รอบมันจะเป็นเอกได้อย่างไรรอบจวของนี่แหละจะของมันโง่ปัญญาก็ามาไก่ก อ, องที่นร่ปีนาธรรมะถึงทำขั้นเอกทำอันเดียวธรรมแท้เป็นอันเดียวกิจกับธรรมเป็นอันเดียวกันพุทธังธรรมังสัณฐังสันนังกถามิ ลงในทําอันเดียวทั้งนั้นธรรมโมปฏีโปสว่างกระจ่างแจ่นอยู่ตลอดเวลาอาการิโกนี่คือธรรมแท้ไม่ใช่อาการอั น, นี้เป็น แ, ท, แท้ธรรมแท้สร้างพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ให้มีขึ้นที่ใจของเราพุทธทางธรรมทางสังฆาชามนี้เราถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นตรนะหนัย่นเข้ามาให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ในองค์แห่งความโดยสุขภ า, ายในใจของเรานี้ ซึ่งเป็นที่รวมแห่งเจรนัตทั้งสามนั้ น, หหนให้เห็นแัดเต็มภายในจิตใจมีเชือสร้างเจริญขึ้นภายในตัวเองอัตตาหิจนมีมาโโธเป็นทูสองอาศัยอะไรละนี่พุทธะนี้ชั้นใดธรรมะนี้ชั้นใดสังขานี้ชั้นใดพุทธธรรมานั้นก็เหมือนกันเช่นนี้เลยไม่ทราบเราจะไปหากราบพระพุทธเจ้าที่ไหน เอานี้เป็นบูชาท่านเลยเอาทำทั้งดวงในความเบญจมเหล่านี้บูชาท่านเข้ากันได้สนิทไม่มีอะไรจะสนิทยิ่งกว่าพุทธะของท่านชั้นใดพุทธะของเราฉันนั้นทำนั้นชั้นใดทำนี้ฉันนั้นเป็นอันเดียวกันเลยไม่สงสัยแต่พระพธธุทธเจ้า น, นิพพานไปนานแล้วหรือไม่นานไม่สงสัยเพราะเป็นอาการนี่ หึ่งท่าหนึ่งขันท่านปล่อยท่าขันตั้งหากในสถานที่นั้นการเวลานั้นตีนั้นพอสอนั้นแหงพระสงฆ์ช้าก็เหมือนการท่านนิพพานไปแล้วหายไปหมดสูญสิ้นไปหมดไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นนะต้องเป็นความเห็นผิดขอควรไปอบอกฝั่งสังโคคืออะไรก็คือผู้ทรงผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ในขณะนี้นั่นแหละคือสังโคแท้แม่หาได้ที่ตัวอของเราเป็นอัตตาหิจันโนนาโถ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 ไปกังวลกับเรื่องอะไรทั้งหมดโลกเขาไม่มีอะไรหละ่ะมีจิตใจของเราไปกังวลกับเขาอย่างเดียวหาเรื่องหาลานมายุ่งกัวเองตัดออกด้วยสติด้วยปัญญาของเราเห็นเห็นมาอยู่ที่ไหนก็เราคนเดียวฮึอยู่คนเดียวเท่านั้นล่ะ เ, เกิดก็เกิดคนเดียวลุ่มล้อมอยู่นั้นไม่ใช่ผู้เกิดในขณะ น, นั้นคือเราเท่านั้นเนี่ยเจิดก็เราเท่านั้นผู้เกิบตายก็เราเท่านั้นผู้ตายคนอื่นตายแทนไม่ได้ เก็บแทนไม่ได้เราเป็นคนตายลยงไปเต็เราต้องเป็นคนช่วยตัวเองมาทังจันนุนาโถ ổ, ด้วยสติปัญญาของเราเองนั่นแหละเป็นความที่ถูกต้องที่สุดเหมาะสมอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านปรองพระชนปรงอายุสังขารในวันนี้แล้วก็ปรองจีเหลือตัณหาอาสวะมันตก ใ, ในวันนี้อตัวนี้แหละตัวสำคัญ ตรงให้ตกเคลียการตายเมื่อไรก็ตามมันจะไกตายวันนั้นวันนี้ดังพระพุทธเจ้าท่านว่าก็ไม่สําคัญนะสำหรับเรานะอื ม, มันหมดลมหายใจเมื่อไรเป็นวันนั้นเป็นวันตายของเราอราเอาแค่มลมหายใจหมดนี่เทนั้นถ้าลมหายใจยังมีอยู่มันยังไม่ตายอ้าวหายไปไปเรื่อยๆไปเป็นปัญหาอะไรก็ยังหลงลืมๆเร่งแล้งสําคัญก็คือว่าสร้างหลักเตือนให้จิตใจมันเป็น อัตโนอัตาอัตนโนะนัทโธอย่างเต็มพูมนั่นเป็นที่กึงพอใจการเป็นการตายตายที่ไหนาตายที่การนั้นสมัยนี้ไม่มีอะไรเป็นปัญหาทั้งหมดเรื่องสมมติละการแสรงทำก็นียสมบูรณ์อายุติเพียงเท่าน